กลัส1ชุดมี3ขวดมี110คะแนนขายปลีกกาไรไปแล้ว 1,602 บาท110คะแนนบริษัทจ่ายคอมมิชั่นให้ 25% 110คะแนนคูณ37บาทคูณ 25% เท่ากับ1 1 7บาทรวมเป็นเงินกําไรชุดละ 2,619 บาทถ้าใน1สัปดาห์ขายได้5ชุด คุณจะมีะไรายได้สัปดาห์ละ1 3 9 5บาทหรือตกเดือนละ 52,380 บาทขายเองได้เองน่าจะพอใช้นะครับ